บทสรุปตามหลักพุทธศาสนาถือว่าคนที่เกิดมาเป็นคนฉลาดมีความสามารถสูงมีจิตใจสูงก็คือคนที่มีวิบากมาดีตั้งแต่ชาติก่อนสำหรับคนที่มีวิบากมาดีเช่นนี้เราทั่วไปก็ยอมรับกันแล้วว่ายอมเป็นตัวจากที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติประเทศใดที่มีคนที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตใจสูงด้วยประเทศนั้นก็จเจริญ ถ้าเพียงแต่มีความสามารถหรือมีความฉลาดแม้จะยอดเยี่ยมสักเพียงใดแต่ถ้าจิตใจไม่สูงก็เป็นอันตรายต่อสังคมข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาย่อมจะเป็นเครื่องกรรองคนได้อย่างดีที่สุดกล่าวคือถ้าหากคนไหนมีวิบากมาดีก็จะเรียนพุทธศาสนาได้ง่ายเข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายและนเมื่อเข้าถึงพุทธศาสนาแล้วก็จะได้รับผลสามประการ ดังที่กล่าวมาแล้วคือ 1. จะมีใจสบายอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานนะหรือในเหตุการณ์ใดๆ 2. ส, สามารถเพิ่มพูนสมถภาพให้แก่ตัวเองได้อย่างมากด้วยวิธีทางสมาธิ 3. จะมีศีลธรรมเกิดจากตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาสามารถที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อย่างดียิ่งแต่ข้อเสียที่มีอยู่ในเวลานี้ก็คือคนที่มีพื้นสามารถจะศึกษาพระพุทธศาสนาได้ดีนั้นไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับการศึกษาในทางโลกทั้งนี้ก็เพราะคนส่วนมากเป็นห่วงเนเรื่องอาชีพและยังสละโลกไม่ได้แต่ถ้าหากจะมีวิธีการใดทาให้คนในอาชีพต่าง ได้เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้ผลทั้งสามประการนั้นแล้วในมิชาคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมองเห็นทางที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปกับวิชาอาชีพต่างๆข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ขัดกับอาชีพและไม่ได้ขัดกับความพอใจของคนทั่วไปซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดหรือมีความประพฤติอย่างไรพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะช่วยเราได้เสมอเพราะในพระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับแต่ต้องการที่จะให้คนเราได้รู้ความจริงต่างๆด้วยตัวของเขาเองจนกระทั่งยอมรับว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรและให้ตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติแค่ไหนอย่างไรด้วยตัวเองถ้าหากคนทั้งหลายจะปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมตามความจาเป็น ตามปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วคนทั้งหลายก็จะประสบกับปัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากและความเดื no really อดร้อนกันไม่รู้จักสิ้นสุดและไม่มีทางเลยที่คนเหล่านี้จะพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ว่าจะมีเงินมีความรู้มีอำนาจสักเพียงไรก็ช่วยตัวเองไม่ได้การเรียนในทางพระพุทธศาสนาในแบบที่ถูกต้องนั้น ต้องเรียนจากข้อเท็จจริงโดยอาศัยตำราเป็นแนวการศึกษาแบบนี้คนที่กำลังกินเหล้าโกหกหลอกลวงเขาหรือประพฤติตัวในทางเสเพยอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะศึกษาได้ข้อสําคัญผู้ที่จะสอนกันแบบนี้จะต้องเป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องชีวิตของคนที่จะสอนแล้วรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพของสังคมความจําเป็นในด้านเศรษฐกิจและในด้านอื่นๆอีกหลายอย่าง และที่สำคัญที่สุดก็คือผู้สอนจะต้องมีความรู้ทางศาสนาจริงๆจนกระทั่งตัวเองได้รับผลทั้ง3าประการนั้นจึงจะสามารถสอนศาสนาให้เกิดผลขึ้นมาได้และสำหรับคนที่มีโอกาสเรียนรู้เข้าใจถึงเรื่องชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงความประพฤติต่างๆไม่ว่าผิดหรือถูกที่เขากาลังดาเนินอยู่นั้นนั่นหละคือบทเรียนที่จะช่วยให้เขาเข้าถึงศาสนาได้ง่าย และต่อไปเขาก็จะรู้เองว่าเขาควรจะเลิกประพฤติอะไรและควรจะควนขวาาทำตัวให้ดีในด้านใดบ้างซึ่งเรื่องนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปและเราจะไปวางกฎตายตัวให้กับคนนั้นคนนี้เหมือนอย่างกับระเบียบหรือวินัยของทหารไม่ได้นอกจากคนเหล่านั้นเขาจะเข้าใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องชีวิตลึกซึ้งดีแล้วและมีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วในอันที่จะปฏิบัติ ต, ตามคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด คนประเภทนี้เท่านั้นที่เราอาจจะวางกฎตายตัวให้ประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ได้การสอนศาสนาไม่เหมือนกับการสอนวิชาอื่นคือเราจะไปกำหนดว่าจะต้องให้เรียนเท่านั้นเท่านี้โดยใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้เหมือนกันทุกคนไม่ได้เพราะบางคนถ้ามีพื้นจิตใจมาสูงก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมากหรือต้องใช้เวลามากถ้าผู้สอนเป็นคนฉลาดในเรื่องการแนะนา ไม่นานเท่าไรเขาก็จะได้รับผลทั้ง3าประการนั้นแต่บางคนก็ต้องใช้เวลานานเพราะพื้นเดิมไม่สูงอันที่จริงการสอนศาสนาก็เหมือนกับการแก้รถยนต์บางคันก็อาจจะต้องรื้อเครื่องออกมาตรวจกันอย่างละเอียดและซ่อมกันเกือบทุกอย่างรถจรึงจะสามารถวิ่งไปได้แต่บางคันก็อาจจะแก้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะส่วนอื่นยังดีหมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะตั้งหลักสูตรตายตัวสําหรับคนทั่วไปอย่าลืมว่าการเรียนทางพระพุทธศาสนานั้นเราต้องมุ่งเอาผลในทางปฏิบัติที่จะเกิดผลแก่คนเรียนก่อนผลอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในครั้งแรกจึงไม่ควรจะต้องเรียนกันมากมายแต่ควรจะมุ่งเรียนไปในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลแก่ตัวเองเสียก่อนและต่อไปเมื่อต้องการจะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนผู้อื่น จึงค่อยเรียนอย่างกว้างขวางแต่การสอนแบบนี้ผู้สอนจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆผู้สอนซึ่งถ้าหากเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วเขาก็จะรู้ได้โดยไม่ยากว่าคนคนนี้ควรจะแนะนำอย่างไรหรือเริ่มต้นทห่เรียน อ, อะไรก่อนเขาจึงจะได้ผลถ้าหากการสอนศาสนาได้เป็นไปในรูปนี้ประชาชนโดยทั่วไปจะไม่เบื่อศาสนาเลย การสอนศาสนาเพื่อที่จะให้ได้ผลดังที่กล่าวมานั้นแน่นอนเลอเกินจะอาศัยแต่เพียงพระฝ่ายเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยคารวาส ด, ด้วยหรือทั้งสองฝ่ายต้องทำงานร่วมกันจะมีแต่ครวาสโดยไม่มีพระหรือจะมีแต่พระโดยไม่มีคารวาสไม่ได้แต่เพราะเหตุที่การสอนศาสนาเท่าที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับพระฝ่ายเดียวและเนื่องจากพระส่วนมาก ถึงแม้ท่านจะมีความรู้ปราดเปรื่องในทางศาสนาแต่ใ น, นเมื่อขาดความรู้ในทางโลกการสอนศาสนาให้กับค า, ารวาสจึงไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรและอย่าลืมนึกถึงหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือผู้ที่จะสามารถสอนศาสนาให้ได้ผลจริงๆนั้นตัวเองจะต้องไม่มีความกดดันในทางอารมณ์อันนี้เป็นภายยังร้ายกาดเพราะถ้ามีความกดดันทางอารมณ์แล้ว การสอนศาสนาก็จะถูกบิดเบือนไปตามความกดดันเช่นเพราะเหตุที่มีความต้องการในเรื่องการเงินเพื่อที่จะเอามาสร้างวัดหรือจะเอามาทำอะไรก็ตามถ้าหากความต้องการนี้มีมากเราก็จะเห็นว่านโยบายการเผยแพร่ศาสนา ก, ก็หนักไปแต่ในเรื่องหาเงินคือทำอย่างไรจึงจะได้เงินมานั่นจะเป็นจุดประสงค์สำคัญส่วนประชาชนโดยทั่วไปจะได้รับผลจากทางศาสนาโดยตรงหรือไม่นั้น ไม่ค่อยจะรับผิด ช, ชอบตัวอย่างอันนี้ถ้าใช้ความคิดซะหน่อยก็จะเห็นว่ามีแพร่หลายมากที่สุดข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่เข้าถึงศาสนานั้นยอมสามารถที่จะเพิ่มพูนสมรถรภาพให้กับตัวเองได้โดยอาศัยวิธีทางสมาธิสำหรับในประเด็ดนนี้ขอได้โปรดพิจารณาให้ถีท่วนอีกครั้งหนึ่งว่า เหตุไรคนที่ฝึกสมาธิได้จึงสามารถเพิ่มพูนสมรรถภาพให้กับตัวเองได้จุดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เรามองเห็นความหวังในอันที่จะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงขอสรุปตอนนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่เข้าสมาธิได้ดีนั้นจะได้รับผลอั่งต่อไปนี้อย่างแน่นอนคือหนึ่งในเมื่อจิตสงบ มีสติอยู่กับตัวมีวรทั้งห้ามีครอบงำในขณะนี้สติปัญญาจะว่องไวมากจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้รวดเร็วและลึกซึ้งและในเมื่อมันเข้าสมาธิบ่อยๆพิจารณาถึงปัญหาต่างๆบ่อยๆความฉลาดรอบรู้จะเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วความแตกฉานรวมทั้งปฏิพัน์ในการแก้ปัญหาต่างๆก็จะมีมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับความรู้เดิมด้วย 2. ผู้ที่มีสมาธิดีใจจะเกิดเป็นสื่อสามารถรับความคิดหรือการดวลใจจากโอปปาติกะที่ขอให้ความช่วยเหลือได้ง่ายสำหรับคนในขั้นนี้เป็นที่หวังได้อย่างแน่นอนถ้าหากเข้าสมาธิดได้ดีคือถึงขั้นที่จิตใจสงบแจ่มใสนิวรณทั้งห้าไม่ครอบงำแต่ผลอีกขั้นหนึ่งซึ่งสูงกว่านี้มากจะได้เฉพาะบางคนเปล่าคือ สามารถเข้าสมาธิไปติดต่อได้ด้วยตัวเองคือสามารถเห็นโอปปาติกะได้ด้วยและได้ยินเสียงที่โอปปาติกะพูดได้ด้วยสมรรถภาพอันนี้ถ้าใครได้ก็จะกลายเป็นอริยะได้ง่ายแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิบากเดิมหรือปุเพกตะปุญญาตาในชาติก่อนด้วย